การพูดไปสักเทิร์นหลายต้องคาแนะนำในการเจริญพุทานสักตู้หนึ่งการเจริญพทุทธานวันนี้ขอผู้เรื่องของเจริตคาว่าจริตแปล ว, ว่าอารมณ์ที่ยวไปของจิตในลงอารมณ์คิดของจิตมีหกอย่างคือหนึ่งพุทธาทนึ่งหนึ่งราคาจริตสองโทสาจริญสามโมหะจริญ สี่ตกจริตห้าศัทธาจริตและหกพุทธาจริตจริตเจกอย่างนี้มีอาการเหม่นเหมือนกันสําหรับราคาจริตมีการรักสวยรักงามและก็เป็นคนเจ้ราระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีระเบียบทั้งหมดเรียบร้อยนี่เรียกว่าราคาจริตแต่ว่าคำว่าราคาจริตคำวัานาเป็นพุทธิษัล อย่าเข้าใจว่าเป็นผู้มากๆในการมาคุณมคุณรเรื่องแต่จะเพียงว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดต้องดีหมดอ่านี้เรียกวาาข้าจริตถ้าโทรสารจริตก็เปนคลฉุนเฉียวทำไรหยาบหน่อยทำไรเร็วสำหรับโมหจริตวิตตรงจริตนี่มีอารมณ์สื่มตัดสินใจไม่แน่นอน สัทาจริญมีรมเชื่อง่ายพุทธาจริญมีรมฉลาดจริญทั้งหกรยการนี้ถ้าวันดาเป็นพุทธบริษัทถ้าเจริญกรรมฐานด้านสุขวิสโกก็มีความจำเป็นมากเพราะว่าสุขวิสโกนี่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกกัจจิรจริงๆก็ไปไม่รอดถ้าปฏิบัติถูกกรจจริตก็ไปได้รวดเร็ว ดังนั้นวันนี้อยขอพูดเรื่องโมหาจริตวิตตพจนิตเพราะว่าตอนกลางวันพบหลายคนที่พบเพราว่าเขียนคําถามเข้ามาการเขียนเขาถามเข้ามาที่็นการบอกจริชัดคําว่าโมหาจริตสวิตตพจนิตดีก็ดีอันนี้ใช้ปัญญาน้อยหน่อย ก็เป็นการลืมใช้ปัญญาเนี่ไงถูกไหมปัญญาน้ามีอยู่ถ้าขาดการพิจรารณาขาดการไข้รอนไม่กล้าตัดสินใจอะไรให้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดยาวๆไม่ค่อยจะคิดก็ เ, เป็นเด็ที่มีอารมณ์สึมหากว่าอารมณ์ขบรรดาธรรพุษบริษัทท่านใดมีการอย่างนี้ สมเด็จพ ร, ระสัมมาสพุทธเจ้าให้เจริญวิกรรมฐานตัดอารมณ์นี้คือใช้อานาปานสติอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องภาวนาเลยเลยถ้าว่าอานาปานสติก็มาที่ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่ แบบนี้เป็นแบบของมหาติฏฐานะโสณถ้าเป็นเลีลาในการปฏิบัติสําหรับมหาติฏฐานะโสณนี้เป็นแบบสุขาเบสโกสุขาเบสโกล้วนไม่มีวิชาสามีไม่มีปัญญ า, า, าถ้าเป็นแบบของกรรมฐาน40สกรรมฐานสีสินนสสทนี่มีทุกหมดมีทั้งสุขาเบสโกเทวิโชชราปิโยไปิเสวิทัพปัตโต ให้ใช้แบบกรรมฐ า, านสี่สิบอน า, าปานุติให้ใช้แบบนี้ให้ใจเข้าใจออกก็รู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กำหนดกำหนดลมให้ใจเขาออกลมให้ใจเข้าก็ทบจมูกลมให้ใจออกจะกระทบวิงที่ปากจะรลุที่ปากยาวนะใช้เชือดหน่อย ชาดมีดปากไม่ใช่กรไมกระทบดินยึปากให้ตั้งศูนย์จากเหนือสะดือขึ้นมารู้ลมท่านลมเคลื่อนตั้เหนือสะดือขึ้นมาจนทั้งลมออกจากจมูกและก็เวลาที่ลมเคลื่อนเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกข้างในและกระทบศูนย์บนฝ่ายในเหนือสะดือลมออกก็จช่เดียวกันเคลื่อนจากศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบดินกรอทบจมูกหรือยึดปาก แต่มีอยากหน่อยคิ่ว่ายากจำเป็นจะต้องอยากเพราะว่าต้องคุมส ต, ติมากเพื่อฝึกวิชาสามัญญาของพระพธมิทายานแต่้าบรรดาแต่พุทธบริษัทจะต้องการปฏิบัติง่ายก็ปฏิบัติเพียงว่าเรียงดันได้ของมหาสีฐานสูตรคือรู้ลมใช้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่้ ใ, ใจเข้า ให้ใจออกรู้อยู่หายใจออกให้ใจเข้ายาเรอสั่นก็รู้อยู่แล้วกายก็รอดรู้ลมหายใจเข้าออกบรรดาแต่พุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าง่ายที่คิดว่าแค่ลมหาใจเข้าใจออกจะนี่เป็นของไม่ยากแต่ความเพียงหนักมากเพื่อการควบอารมณ์ให้ทรงสติสัมปัญญให้สมบูรณ์มีสมาธิไม่ใช่ของง่าย ไม่เพาะอย่างเยี่ยงสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นมีจริตเป็นวิตกจริตกมวจริตยิ่งหนักใหญ่ทางนี้เพราะอะไรเพราะใช้กําลังปัญญาน้อยไปที่เขามีใช้กําลังปัญญาน้อยไปเพราะจิตไม่มีการทรงตัวจิตไม่มีการทรงตัวรมข่ายความเยือกเย็นเมื่อรมขายความเยือกเย็นความเป็นความเป็นสมาธิก็จิตมันก็ไม่เกิด ถ้าสมาธิข อ, ของจิตไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดฉะนั้นจําเป็นต้องให้ทรงอารมณ์ให้ได้านาปานนติกรรมฐาน <c oughs> การพิจนารณาในการรู้ลมหายใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อย่างนี้ชี้ว่าจิตมีสมาธิในนาปาโนติกกรรมฐานแต่ว่าถ้ากรูห้หายใจเข้าก็ดใีใจออกก็ดี รู้สึกว่ามีลมหายใจเบาลงไปตามลำดับถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบามากจะไม่อยากเหมือนตอนตน้นจิตใจเริ่มสงบอารมณ์เริ่มสบายใจอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้นพอเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องกลาง ตอนนี้อาจจะมีภาพแสงสีปรากฏ ท, ทั้งท่าได้ดับตาเห็นนมิสีเขียวบ้างสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าถ้าแสงสีปรากฏก็บขบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเข้าไปสนใจกับแสงสีแสงจะเขียวจะขาวจะแดงจะเหลืองไรก็ตามจะถือว่าแสงนั้นเป็นอาสินไม่ได้ ก็มีหลายท่านมาถามว่าส er ีที่เกิดปรากฏขณะเวลานั้นเป็นอรสินใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่กสินถ้าไปหลงสีอย่างนั้นเข้าจิตจะเฟื่องไม่ส่งสมาธิก็สีจะไม่ท่งตัวเมื่อจิตมีลมสงบเล็กน้อยในบริเาณกลางอุปจารสมาธิก็จะมีแสงสีปรากฏแต่แสงสีนี้จะปรากฏชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไป วันหลังไนดะ้คิดว่าอยากเห็นแสงสีอะไรนั้นอีกจะมองจะไม่เห็นแสงสีนั้นอารมณ์กุ้มจะเกิดถ้าเข้าถึงจุดนี้ถือว่าเข้าทั้งส่วนกลางอุปจารสมาธิถ้าจิตเข้าทั้งส่วนสูงุงงงงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็นทิศจะปรายกดพบภาพลอยมาและภาพนั้นไม่แ น, น่นอนนักบังคับไม่ได้ <c oughs> อาจจรเป็นภาพคนบ้างภาพพระบ้างภาพวิมานบ้างภาพเทวดาบ้างอะไก็ตามผ่านมาแล้วก็หายไปแต่กว่ามีอาการด้หายไปนะภาพก็ไม่ได้หายและจิตละพักจากสมาธิเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคิดว่าจะรู้ดะเห็นเมื่อเอินภาพเป็นปรากฏอบขึ้นมาเมื่อภาพปรากฏจิตก็ตกใจพักจากสมาธิภาพก็หายไป กระงความแล้วก็ถือว่าจงอย่าสนใจในภาพและแสงสีถ้าจิตเป็นฌานเป็นปฐมฌานเบื้องต้นเอาแค่ปฐมชายก่อนถ้าจิตเป็นฌานบรรดาเป็นบริษัทอารมณ์ให้ใจจะละเอียดมากจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงไปมากก็ยังมีความรู้สึกชัดอยู่ <c oughs> แต่สิ่งที่จะสังเกตได้วเวลานั้นเ ป, ป็นปฐมวิชาร์ก็คือว่าเสียงภายนอกที่เราสามารถจะได้ยินได้ตามปกติก็ได้ยินตามปกติเสียงดังเสียงเบาเสียงพูดกันบ้างเราดันทำเพลงบ้างเราได้ยินตามปกติแต่ว่าถ้าจิตจิตของเราจะไม่รําคาญในเสียง ขนาดใดถ้าจิตไม่ดำคาในเสียงขนาดนั้นถือว่าเป็นปฐุมชาญแต่วันนี้เราแค่ปฐุมชัยกนะ็พอนะพ่อไหมพอนะมันเลือกได้แต่ความจริงก็ยังเข้าถึงวัตถุมิฉานได้บรรดาทางพุทธบริ ษ, ษ, ษัทเรื่องพูดไปของไม่ยากเวลาทําก็ไม่ยากแต่ได้ยากไม มันได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าโ อ, โ, อ, โ, อโมหะเจติ ก, ก็ดีวิตุกุจิิก็ดีเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความแน่นอนในใจความเด็ดเดี่ยวของจิตใจไม่มีหาการตกลงใจได้ไม่แน่นอนฉะนั้นในขณะจะถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังอ่อนมากจึงต้องใช้ทีปราบและนาป า, านุสิกกรรมฐานโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามายุ่ง ทำบวนาก็ไม่มีการพิจารณาก็ไม่มีรู้โรมหายใจเขาออกอย่างเดียวแต่การรู้รมหายใจเขาออกอย่างเดียวบางท่านคิดว่าคางจะง่ายแต่ก็ามจริงไม่ง่ายเลยการทรงอารมณ์จิตเป็นสมาธิการกําหนดรู้รมหายใจเขาออกถ้ารม์เราแบบส บ, บายๆเนี่ยมันอาจจะทรงตัวได้ต่ประมาณสมนาทีเป็นอย่างเก่ง ลหลังจากนั้นอารมณ์ปุ๋ยจะเข้ามาแทรกอารมณ์ไม่สบายจริงๆอาจจะไปถึงเครื่องมินาทีมัก็ไปแล้วใช่ไหมจะเปได้ว่งง่ายดันมาอันนี้ทางบังเอิญสมมติว่าอารมณ์ของเราไม่สามารถจะคุมตัวได้จริงๆแม้แต่นาทีหนึ่งสองนาทีสานาทีก็ไม่สามารถจะคุมได้ทำยังไง ในวิธีในวิสุทธิมกแต่นบอกว่าถ้าคุมไม่ได้จริงๆวิธีที่หนึ่งก็ให้เลิกไปซะก่อนปล่อยลมใจสบายสบายฟังวิทยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างลองรำทำเพลงบ้างจะเจ้าเสีย้ดังจะบานจะดา่าอย่างนีงนก็ปล่อยเร้ก็ลมตามบมทอิ่างนี้อย่างหนึ่งอห้อย่างหนึ่งทัา น, นาแนะนำบอกว่าการปุกจิต ให้เป็นสมาธิตาโบติจิตมีสภาพผู้สร้างอยู่เสมอเจอบมีรมคิดถ้าอะไรคิดนอกรูนอกทางไม่สามารถจะจะบังคับตัวให้ทรงตัวอยู่ได้ดมีวิธีหนึ่งนบอกวาใ้ปล่อยจิตคิดไปเรายังไม่เลิกจากการจะเพระกรรมฐานมันใหญ่จะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปตามปกติ เมื่อคิดไปแล้วนานๆแต่จิตคุมไว้ว่าคิดอะไรก็คิดไปแต่ลมสติเรามียอมปล่อยสักครู่เดียวมันก็จะเลิกคิดถ้าเลิกคิดอย่างนี้หวนกลับมาจากอนาบานสติใหม่ตอนนี้จะสรงแลวเรียกมากจะเป็นชาญได้เร็วทั้งสองวิธีที่อาตมาเคยใช้ทั้งวิธีหลังไม่ใช่ได้ผลดีมาก ถ้าไม่สามารถจะคุมให้ทรงตัวได้ ก, ก, กําหนดรู้ลงไม่ใจก็ออกก็ไม่สามารถจะคุมได้ถ้าจะภาวนาด้วยก็ไม่สามารถจะภาวนาไหวอารมณ์อื่นเข้าม า, าแทรกตลอดเวลาในขณะที่ฝึกใหม่ๆก็ใช่ลมนี้ปล่อยไปคิดไปตามเรื่องตามหลักวิสุทธิมัสมันจะคิดไปจริงๆอย่างนานไม่เกินสิบห้านาทีแต่ความจริงแล้วก็ไม่เกินสิบนาที แล้ก็หยุดคิดเมื่อหยุดคิดหันจากวัจพันณาปานุติกรรมฐานจากรู้ใจเขาออกใหม่ตอนนี้จะสงเงียบสงษ์ได้นานบางทีถึงครึ่งชโมงคิดเป็นชันตรงความว่านาปานุติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มากสามารถคงกรรมฐานนี้สามก้าวกออยู่อยู่ น, นาจ กรรมฐ า, านที่สามีก้าวกรดถ้าไม่คือนอาณาปานุสติก่อนไม่ไ ม, ไมีไม่มีกรหนที่สามารถจะสงฌานได้เช่นท่านที่คร่องในอาณาปานุสติกรรมฐ า, านทำให้เคร่งนะสําหรับท่านที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านสามารถสงฌานได้แล้วก็เป็นธรรมเนตามปกตินี่พูดเฉพาะท่านที่ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้จริงๆ สำหรับท่านผู้ใดสาวคล่องในนาปานุติกรรมฐานจริงๆสามารถจะเข้าฌานด้ อ, อนาปานุติกรรมฐานอะไรก็สามารถเข้าฌานได้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านผู้นั้นจะรู้เวลาตายของตนเอง <c oughs> จะตายเมื่อไรจะตายด้วยการแบบไหนจะรู้ในอย่างนี้น ในกวการหนึ่งถ้าทุกเวทนาเกิดขึ้นยังป่วยไข้ไม่สบายเจ็บนู่นปวดนี่ถ้าแฉนาปานุติกํถมฐานเข้าไปคุมจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิทุกเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นจะเหลือประมาณสิบปอร์เซ็นาจิตเข้าถึงปัมฌานทุกเวทนาเกิดจะไม่ปรากฏเลย จะรู้สึกว่าทุกเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นมันสลายตัวไปแต่ถ้าบังเอิญใครไปเรียกให้รู้สึก ต, ตัวกลับมาสั้นๆอารมณ์เดิมมันก็จะปวดใหม่เพราะฉะนั้นนาบานุติกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่ที่มีความสําคัญท่านบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านที่เมรุมใจไม่แน่นอนที่ไม่สามารถจะตกรองอาจา ร, ารจะได้แน่นอนให้ใชานาตาบานุติกรรมฐานเป็นตัวนำ เป็นการตัดโมหะจริญกัวิตกใหญ่เพรวิตกสมนการนี้เป็นอารมณ์วิตจจิตใจสำนึการนี้เป็นอารมณ์เสริ ม, มรตัดความสมนึเกิดความฉลาดเพราะถ้าจิตเริ่มไปมีสมาธิอารมณ์ฉลาดก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าจิตแย้มย่อมเป็นชายความฉลาดคือปัญญาก็เกิดมากขึ้น ในเมื่อสามารถระงับเราสามารถจิตระงับจิตต้งสมแต่การนี้ได้แล้วต่อไปจะทำอะไรก็ได้ <c oughs> จะใช้กรรมฐานกองใดกรงหนึ่งเข้ามามาสมประสานได้ทุกอย่างเพอทำลายตัวต้นตงโงกพุทธได้แล้วนี่พูดกันไปพื้นฐากนกรรมฐานนี่การเจริญวิกรรมฐานก็ธรรมดาแต่พทธบริษัทวันนี้ก็มีหลายคน มาถามอาการของปีติแต่ความจริงถ้ามันจะพูดเร่งปีติอาการของปีติเกิดขึ้นเกิดกลัวปีติมีอย่างมีท่านหนึ่งบอกว่าภาวนาไปภาวนาไปเกิดตัวสั่น้ <c oughs> ็เกรงว่าเจ้าจะเข้า <c oughs> เลยเลิกหน้าคนทีเเห็นคนทรงไปอยเนะี่ย ส, นนยยส al ok al ันปนนาาปนนะาานาาปปปปปาปปปปปปปปปปรปปปปปปปปปจปเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปเปปปปปปปปปปปีปปปาปปปปปาปปปปปปรปปปปปปปาปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป กรุทธภูมินี่ถ้าข้าไปถึงอุปวัตปรามีขึ้นไปเนะี่ยจะต้องผ่านปีติทั้งห้าประการพระพุทภูมนี่เจ็บเล็กเก็บน้อยเก็บหมดถ้าเป็นสาวกกับภูมินี่ไม่แน่นอนบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ผ่านหลายอย่างบางคนก็ผ่านแปบเดียวมผ่านไปเลยเข้าฌางไปเลยอ <c oughs> าการกับปีติห้าอย่างก็คือข้อที่หนึ่งขนพองสยองกล้าว เลาเริ่มเฮนายจะเริ่มสมบายคนทุกสู้ซาคนตั้งคนลุกนี่นะอย่างนี้แปลกายของปีติจงอย่ากลัววันนี้ก็มีคนกลัวเหมือนกันปรากฏว่คนกลัวคนลุกมีแล้วอาการที่สองของปีติคือน้ําตาไหลพอจิตใจเริ่มเข้า ว, วีติน้าตาจะไหลบังคับไม่อยู่ อาการนี้สามร่างกายโยกโคลโยกไข้างหน้าบางโยกข้างหลังบางโยกข้างข้างบ้างแต่ทั้งหมดนี้จิตใจจะเป็นสุขมีความเอื้อปีนใจอาการนี้สี่จะมีอาการเต้นเหมือนปุกพระในอย่างอ่อนผู้เห็นกาปีติอย่างอ่อนจะมีอาการเต้นฟังฟังฟังฟังฟังฟังเหมือนตกปลุกพระเป็นเจ้าเขา่าให้อย่างเต็มอัตราตัวจะลอยขึ้นไปบนอากาศ แต่ว่าไม่ต้องโผล่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วก็กลับที่เดิมตาปีติที่ห้าเนี่ยปรน า, าปีตีมีการทราบสราบว่าแรกจะเกิดขนพองสยองกล้าวเล็กน้อยก่อนแล้วก็ต่อมาจะมีความรู้สึกตัวมันจะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นหน้าจะมีความรู้สึกหน้าโตขึ้นมากแล้วก็มีเหมือนกับลมออกจากร่างกายสู่สา ต่อมาก็ตัวเริ่มเบาเหมือนของอะไรออกหมดนานาเข้าจนถึงที่สุดจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีเลยมันหายไปเหลือแต่หน้าอย่างเดียวหน้าใหญ่จิตใจชุ่มชื่นมากอย่างนี้เรียกว่าลาปีดีเร่องความร่างกายกราปีดีตั้งห้อย่างนี้บรรดาท่านผู้ถบริษัทต้องมีความเข้าใจว่าไม่เป็นพิษเป็นภัย มันมีนความดีถ้าถ้าสมาธิของท่านต่ําจากปีตินิดเดียวอาการอย่างนี้จะไม่ปรากฏถ้าสูงเลยแคเป็นป็นฌานอย่างอาการานี้ก็ไม่ปรากฏเหมือนกันถ้าจิตของท่านอย่างทรงอยู่แค่ปีติอาการอย่างนี้ห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏกับท่านอันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้มีคนกลัวอีกทถ้าจิตใจกุมารถ้าบริเวณสัตว์ตัณฑ์ใดจิตเข้าถึงปีติ พมืปีจิเข้าถึงว่าเดี๋ยวเดียวเยวขาถึงว่าุทมิชานตอนที่จิตเข้าถึงว่าโทมิชานจะมีความรู้สึกว่าจิตสบายไม่รําคาญในเสียงทุกอย่างอย่างนี้เป็นว่าโทมิชานล้วแค่วัาุทมิชานก็แล้วกันแล้วก็มีตอนหนึ่งมันมีบุญดาทั้งพุทธวิสัทธาม คว่าเมียกันคนลุกโซ่ซามีจิตประสุขโทตอวเดียวหนึ่งมีการบวิวคล้ายจดจกจากที่สูงจิตหิวเสียวใจถ้าจะเสียไปก็คล้ายกับตกจากที่สูงอย่างนี้แปลงกายของจิตพลดจากฌานคือว่เวลาเริ่มจิตถ้าเริ่มทําสมาธิลมขึ้นต้นหยาไปจิตทรงชานนิดนิดหน่อยก็พั่กแลงแลงหนมามันจกตกจากที่สูง ที่ทราบแล้วก็อาการอาอาการแบบนี้แต่มาเคยผ่านมาแล้วจะไี้วิธีกแก้ใจจิตทรงตัวได้นานก็ใช้ก่อนเริ่มภาวนาใหม่เริ่มทุเหาใจก็ออกมันใหม่ให้ใช้เวลาให้ใจยาวๆและแรงๆสักห้าครั้งเป็งกายนการระบายลมหยาบออกทิ้งให้เหนืออารมละเอียดอย่างนี้อาการคลบพใจาชายจะไม่มี เป็นีลายห้านาทีก็ขอย้ำเรื่องการพ้นนรกสัมมิทหนึงันดาท่านผู้ศัยสารจะเริกนกรรมฐานแบบไหนต็ตสาม <c oughs> ถ้าหากว่าทุกคนไม่สามารถจะทำจิตให้ฟังคับให้พ้นจากสังโยชน์สามรายการได้ก็ไม่มีใครสามารถพ้นนรกเหมือนกัน การทําบุญทุกอย่างเป็นความดีให้ทานก็เป็นความดีแต่ว่ายทานจะพระให้ทานจะบคนกับสัตว์นักษาสิงค์ก็เป็นความดีเจิอสมาธิก็เป็นความดีมีทานสมาบัติก็เป็นความดีเป็นบุญใหญ่เท่านั้นแต่บุญใหญ่ทั้งหมดนี้เราไปสวรรค์ก็ได้ไปความโลกก็ได้แต่ยังไปนิพพานไม่ได้เราก็ยังมีสิทธิ์ลงมาลบได้เหม่ไกัน การที่ตัดใบัเลี้ยใบพวงกันจริงๆก็ต้องตัดสามโยชสามรายการได้เคยพูดกันทุกเที่ยวสัมโยข้อที่หนึ่งก็คือสกายทิทีในขั้นต้นใช้ปัญญาเล็กน้อยตามที่พระเจ้าสรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีสกิตาคาิมีก็ดีท่าสามรายการนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์ त त ในรงปของวิโสดาบัยนสกิทาคามีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็จริงแหละแต่ว่าก่อนจะตายต้องหาทางทางกัรรบายภูมิใจก่อนวิธีการระบายภูมิคือใช้ปัญญาพิจารณาความดีของฤุทีเจ้าเพื่อทระบิยสิโส ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีก็ทมคำสองสองเพื่อแจ้าก็ดีก็อริยสงฆ์กดีถ้ามีความดีขนาดไหนคนที่เราจะยอมรับรับถือไหมใช้ปัญญาเจตนาแล้เห็นว่าดีจริงๆไม่สงสัยในความดีของท่านยอมรับรับถือด้วยความจริงใจด้วยศรัทธาแท้ไม่เป็นข้อที่สองข้อที่สามศีลปตาบตปรามาตรักษาศีลห้าให้สมตัวย้ายศีลห้าพลาด ในการนี้สี่เพื่อความมั่นใจเพือหวังผ่านโดยตรงจิตใจตั้งไว้เสมอว่าชีวิตนี้ถ้าตายใครเขาไม่ผ่านดเดียวเดียวท้าวันดาในพุทธบริษัทสามารถตัดสัญญาณสามประการนี้ได้คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองไม่สงสัยในพระใจปัญหนาคมยอมรับก็ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีสินห้าบริสุทธ์ และก็สี่เป็นวิเศษมีอารมณ์ต้องการผลิตภัณฑ์จุดเดียวอย่างนี้พระพุทเจ้าทรงตรัสว่าท่านเคยทําบาปมาแล้วเท่าไหร่พอตามในกายก่อนบาปไม่สามารถจะนําทุกท่านลงอบ่ายภูมิได้คือบาปไม่สามารถจะบังคับให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานได้ตัดกัไปเลยการเกิดนั้ทุกท่านจะมีได้อย่างต่ำก็สวรรค์ประมาณโลก แล้ก็ยังมีเวลาจำกัดปฏิพันธ์แน่นอนจันั้นขอบนรดาตท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนที่จะทำอะไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนไม่สำคัญทำได้ทุกอย่างตามชอบใจแต่ขออย่างเดียวจงอยากทิ่งการตัด ส, ญญดยสายโยธสำหรัการใท้ประจำใจไว้จะได้มีการคุ้มครองตัวคือไม่ไปบ่อยปล่อยใบภูมแม่ในชาตินี้ ตอนนี้ไปขอมน า, าท่านพุทธวิศนุต่านตั้งใจสมาทานประกำาน